ยิ่งไปฟังเรื่องขมมะต่อโอกาสเวลาเรื่องเงิงเรื่องยิ่งิ่งิ่งดนร้องมานยัมีติดคกตั้งแต่คุงเป็นตั้งในั่สบายะบาย เรื่งกระสินเรจะทดลองเรื่องกระสินวันนี้ทุกวนี้บางทีไมีโอกาสเวลาเราสั่งจะหันแล้วไม่อยากพูดอะไรนะเราทุกคนเป็นเจ้าภาพของกระสินวันนี้เด็กที่โอกาสเวลา บุญกระถินถ้าจะถิ่นในเรงสิ่งนี้เรื่องกระถินนั้นตามตทำตามด้านัยสันติว่าการรัทานการทําบุญกระถินเป็นการทํายากเพราะเป็นการรัทานมีอานิสงส์มากแปลกจากการให้ทานสิ่งอื่นทั่วไป เพราเรื่องอนุสงของกฐินนั้ น, นคุ้มกันเรื่องอาบัตได้สําหรับพระที่อยู่จาพรรษาตลอดเต็มาทสามเดือนวัดใดที่ได้รับกฐินทางพระยในถิ่ยนยกเล่นอาบัตไว้ตั้งสี่ห้าข้ออ น, นุสงหา้าที่กันเคยว่าไว้วเราในเ้ศึกษาเรื่องธรรมดินในจะจะในทราบ อย่างการกระชินเป็นของทำยากเพราะเป็นการลทานเหมือนทานทั่วไปทานทั่วไปเรามีกระชินมีสิ่งของเมื่อไรเเรากร็กทานได้ตามความปรารถนาของเราแต่กับชินนี้นไม่เป็นอย่างนั้นต้องอาศัยการอาศัยสมัยท้าไหนุญงยากให้เพียงเดือนเดียวเท่า น, นั้น โือวันออกครรษาแรงทัานหนึ่งเดือนสิบ็ดไปถึงเดือนสิบสองเทนเป็นเสดกระิ่นแต่ทาในระยะนี้ไม่ทันถึงเราจะมีเข่าของเงินทองอยากจะไปทํากระถิ่นมันก็ทํำได้คือหนึ่งมีเพียงเดือนเดียวเท่านั้นที่จะทํากระถิ่นกันได้กระถิ่นตงมีอานิโรกมีสงแรงก้าฝ่าอานิสงให้ทาน เรื่องอื่นคือจะทํากระชินได้ต้องยากต้องลำบากมันจะง่ายยากหลายอย่างหลายประการแต่หากเราพิจารณาคิดอ่านไม่ใช่ว่ามันง่ายมันสบายควรที่มีโอกาสเวลาได้ถอดกระชินทำกระชินนี้รู้สึกอยาจะหายากจํานวนพัน็นหาเพียงคนหนึ่งกนทัองยากทั้งคิด เฉลี่ยกันในประเทศไทยฉะนั้นวันนี้พวกท่านากิตติศาตัวนี้ก่อชนที่เป็นจบข่าพในอุตสาห์นำผ้าแต่ถินมาทอดในวัดนี้และวันเป็นโชคดีของพวกท่านเพราะก่อินนั้นทิ้งชาจะจำพรรษาตลอดไปมากถ้าพระไม่คบองค์ก็ทำไม่ได้พระคบองจะเท่าว่าในนี้ ใครสามารถทราบเรื่องจะทํากระชินเ้นต้นว่ากระท้าตัดผ้าเย็ดย้อมเป็นทูอธิษฐานการหมดเป็นมันหมดเป็นกระชินให้มีพระครบแล้วก็ถ้าพระมีความสามารถจะทำเลยได้นอกจากนั้นเรามีศรัทธาแต่ถ้าว่าร่างกายของเราป่วไยไข้ได้ทุกจะมาทํามันก็ไม่ได้อีก เรามีศรัทธาจ น, นมีสมบัติเข้าของจนมาทำมันก็ทำ ไ, ได้มันหลายอย่างจริงเหนียวว่ามันทำยากไม่ใช่เรื่กงของง่ายอันนี้โชคดีของพวกเราท่านศรัทธาในจิตในใจของมีเข้าของที่จะมาทำบญพื้นฐานของมีทุกสิ่งอย่างพร้อมที่จะทำได้ ก็เป็นโชคลาภของพวกเราทั้งหลายใส่อุตางใสยามต่าหนาต่างตามาทามาหาจิตถิในวันนี้จงพากันกลุ่มหยุดก่มใจในการจะ ท, ทําบําเพ็ญของตนเพื่อบุรลุผลที่เรากำทําบําเพ็ญตรงนี้ไม่เชืว่ามันจะหายไปที่อื่นถึงสิ่งของของเราที่ไปาทอดไปให้ เกียรติข้าวเจ้าข้าวสงเสียหายไปรายได้ก็คือเราเด็ดทำรายได้มีอยู่ในใจคือใจเหวี่ยงใสใจอิ่มใจเบิกบานใจยินดีในการะทำบํัญชีของตนจนผลทางใจในปัจจุบันเราเด็ทําไปคิดไถ่ถึงการการทำบํัญชีของตนจิตใจเกิด บุญเกิดขี่สนคือเกิดความสุขความสบายอันนี้สงที่เราทำลงไปนี้ไม่เคยมีแต่ปัจจุบันทันตาเท่านั้นนอกจากนั้นอนาคตต่อไปเมื่อเรายังเย็นได้ไตายเกิดู่ในรัตตาสงสารจะต้องอาศัยบุญขี่สนที่เนคงตนทาไว้ส่งเสียให้ ได้รับความสุขความสบายในภพชาติต่างๆหากเรามาโดยทำอะไรไว้บุญกุศลหนนีน้เราก็อดอยากอยากจนเป็นทุกข์ในจิตในใจฉะนั้นการเกิดของมนุย์เกิดขึนดข้นมาเพราะบุญกรรมของตนจิตสะสมเอาไว้ใน่เช่นนั้นคนเัื่วนไปเกิดมาก็จ ะ, จะมีหน้าตาแส่งขา มีสติปัญญามีสมบัติเข่าของเข่าเตรียมกำหนดเพราะทุกคนเกิดมาในปราถนาความทุกข์ยากอดอยากในปราถนาสู่ร่างกายตัวอยู่ในสมประกอบทุกคนต้องการความสุกความแเจริญผุดถึงหลางตายก็ชอบยินดีอยากเฉลิ้มสดงดงามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนผุดถึง ด้านสติปัญญาก็อยากจะมีสติปัญญาเสียบแหลมพูดถึงเงินดัดพัดเสถานเขาของเงินทองก่อต้องตามมากเดียวกันไม่ว่าคนจนไม่ว่าคนรวยไม่ว่าคนบ้านนอกไม่ว่าคนในเมืองต้องตามอย่างนั้นประเวยีใดคนเกิดมาไม่ว่าประเทศไทยประเทศนอกมันเหเมืองกัน ในารรูปร่งกลางตัวเหมือนกส่วบัตรคาถสถานสติปัญญาวิชาความรู้ไม่ใช่เขาไม่อยากได้เขาต้องการอยากได้เท่านั้นแต่ที่นั้นไม่เป็นไปตามความอยากของเขากับพ่อกรรมของเขาส่สต่างเอาไว้ไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เพียูู่ลร่างกลางตัวแต่อดอยากยากจนสติปัญญาวิชาความรู้ก็หนมี เข่คล่องเงินทองจะไปศึกษาเรื่องเลี้ยงก่อนหนี้ไปเรื่อเรี้ยงได้ก่อนหนี้ทวามเกิดจาภายในทําอะไรในสมประกอบถ้าหากมีบุญกุศลส่งเสียให้คนเปิดมาทุกคนมีภาพฝันท่านสบายมีเข่าคลองเงินทองติดตัวมาเหงินกันทุกข์ทนมากแต่เพื่อว่าเติดโตมา ดีดานันดาดูแลรักษาแสวงหาสมบัติพัฒฐานยาเจ็ได้ยกันแต่ถ้าว่าสจิปัญญาหน่อยมีดงกุศลหน่อยมีอะไรกุศลหน่อประกอบให้เกิดทุกข์ไรอนาถาลำบากยากเย็นถึงได้มาเขาควงเงินทองนิ่งหน่อยกวนี้ สิงทีพาจปนไปเพื่อเกิดโรคไข้ไข้เจ็บขึ้นแต่ยายารักษาเงินทองเขก็ขังหมดไปจนกว่หายให้กว่าหายไปรักษาเออหาสแส้หาใหม่ได้มาอีกจนไปอีกนี่คือคนผู้บุญกุศลน้อยทําอะไรเลยไม่เจริญรุ่งเรืองให้โดยอํานาจในชีวิตของเขาไม่เคยตะโกนคุณงามความดี เพียงพอบริบูรณ์คนจึงเต็มไปที่แปแตกต่างกันอย่างนั้นนี่คือเรื่องของศาสนาสอนมาอย่างนั้นถ้าเราพิจรารณากันในเรื่องของศาสนาก็พอทราบ ว, ว่าเรื่องของคนทุกคนอยากดดีอยากยามีธรรมอยากมีโรกใครๆเก็บแต่เท้ามันเนต็มไปหมดได้อำ น, นาจของกรรมที่เขาทํามามันเหนี่ยงกัน คนจิงมิดแตกแตกต่างกันถึงว่าเกิดมาในนี้ผ่าถอนท่านสบายในในี้อะไรติดมีมาแต่เท่าว่าเติดโตขึ้นมาเสวงหาสิ่งต่างๆสี่ต้น ต, ต่างๆได้ตามปรารถนาคนมีในส ม, มนความปรารถนาคนมีบางคนทุกข์ยากลําบากอนาถาหาช้าจิ้มยนกระทั้งยากผ่าถอนท่านสบายจะติดอะไรยะวะก็ห า, หายากแต่บางคนร่ํำรวย สุขสบายนี่คือบุญกุศลให้ผลแก่บุคคลที่กระทำกรรมดีมาโดยเสอมา่าสมัยปัจจุบันทาา่านตาก็ไม่เชื่อว่าเทวดบุตรเทวดาดาสวรรค์สัตนฟ้าต่างๆนานามีเราจะอธิบายเรื่องเหล่านั้นเขาไม่ค่อยยอมเชือ่อเพราะตาของเขาไม่เห็นเราจะต้องดูปัจจุบัน ของคนในชาตของมนุษย์นี้ที่แตกต่างกันเวลาเขาเกิดบนสวรรค์เกิดถุกเพราะเหตุใดเพราะเขาเกิดมามีเข่าขวงเงินทองมเอวยยาแย่เส้นอยากจะได้อะไรเขาเหล่านั้นได้ผลปรารถนาของเขาพราะเขามีเงินมีทองมีเข่ามีคองอยากสร้างบ้าน์ส่อง ใหญ่โตขนาดไหนก็ได้สนใจศาสนาอย่างนี้ผมอะไรจะมีเงินแลเกเปลี่ยนมาอยากทานอะไรก็ซื้อเอาตามตัวต่งตานมีเพียคนที่มีเงินมีกุ่เสนมีทุนทรัพย์ภายในตนทั้งทานที่เกิดมาหนูมีท่าคสอนสบายอะไรตดมีมาแต่เวลาเติดโตมาแต่งหาได้พอบินกู่เน บุคเคจะต่าบุญเยตาคือบุญกุศลเก่าก่อนสนับสนุนให้ยคนกินไรบุญไล่กุศลไม่ทําคุณงามความดีเอาไว้ไม่เป็นอย่างนั้นเกิดมาทเทยากลําบากอันาถาเกิดในตะกินที่ยากจนจนใจไหลทรับปัญญาดีดามานดาก็เป็นคนยากจนตจนเกิดมาก็ไม่มีสศรีปัญญา ไม่มีชาทำรู้อะไรนนมระดดักดั่งเดิมที่ดีได้มานไจะเดือดให้ก็ไม่มีจะตีปัญญาจะแสดง ห, า, หาใหม่ก็ไม่มีนี่คือกรรมของเขาที่ทํามาแต่เก่ก่อนในสนับสนุนให้คือเขาไม่ได้ทำความดีไว้จะปรารถนาเท่าไรมันก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเขาเราทุกคน ขี่ีอยากมีจินมีความสุขพอสมควรจงพยายามที่จะเจรณาศึกษาหาทางประกอบคุณความดีให้เทวีคูณขึ้นเพราะจิตใจของเรายังไมนพ้นไปจากทุกจากที่เลอจำเป็ น, จ, นจะต้องเยี่ยได้่้ายเกิดไปอีก การเย่นได้ตายเกิดไปอีกกวจะต้องอาศัยบุญกุศลสนับสนุนให้ภาณาบักไมัศีลามัยภาวนาไม่ที่ท่านสาไว้เส้นทางเกิดขึ้นซึ่งบุญสึ่งกุศลถ้าหากเราไม่แสวงหาในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่ตายไปแล้วไม่มีความหมายอะไรกายอันนี้เขาจะไปเผาไปสังก็ได้จะไปทําบุญทํากุศล ทำดีทำชั่ว อ, อะไรท่านไม่ได้ เ, ม, เมื่อเรายังลมหายใจเต็มอยู่เรา จ, จึงรืบเร่งควนขวายทำคุณงามความดีอย่างพวกท่นรรานพิทธศาสมนาชนสนใจในบุญกุศลเชื่อกรรมจึงโดยอนเสียสละเข่าของเงินทองต่างๆนานามาทำ ม, มาห า, ากัดชินในวันนี้แล้วว่าเป็นคนที่คิดถูก ในอย่างนั้นก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีศรทัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่ทําไปพอเราทํานี้เรามนุนหวังผลประโยชน์จากการทําของเราไม่ใช่เราคว่างทิ้งเราทําไปหน่งผลหน่งกําไรหน่งความสุขทางกายทางใจแก่ตัวของตัว เนี่ยเราหนึ่งอย่างนั้นเราโดยทําอย่างนั้นจิตใจของเราแล้วลึกขึ้นแต่การเสื่อมเนมนษุยนษย์เพราพราะเพื่อศาสนาตัวของเรามาเป็นโมฆะโดยทําส <S S S> าระเรสื่ตัวของเราอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้น จ, นจนนิตใจต่อสิ้นสิ้นเบิกบานจิตใจต่อเป็นโุกนี่คือความสุขปัจจุ บ, บนันที่เราท่านจะได้รับจากการกาทํามอมเพล ฉันั้นการทํากรินจึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสนับสนุนพระพุทธศ า, าสนาบํารุงพ ร, ามมา ร, ระภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติถ้ามีโอกาสเวลาใดต่างหน้าต่างตา้งตาแต่ทําบําเพ็ญคุณงามความดีของท่านตัวของเราผู้บํารุงขอรับบุญรับผุ้สนคือเรามีบุญมีหลักศาสนาแต่ทํานุบํารุงรักษาพระพุทธศ า, าสนาให้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 ไม่มีอะไรจะหนึ่งหม่มไม่มีที่พักที่อาศัยไม่มีอะไรจะแจ้โรกไข้ไข้เจ็บเมื่ อ, ก เ, อเกิดหนาวมาหาผ้าหนึ่งผ้าห่มไม่มีเมื่อร้อนมาหาที่พักที่อาศัยไม่ ม, ม, ม, ม, มีจะมีกําลังกายกาลังใจประพฤฏิบัติธรรมในได้อย่างไรคือดำเนงรักษาให้ทานต่อพระ ยษุ ส, สามะเนินในวัดวาศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้สนับสนุนพระพุทธศาสนาให้คงเสน ค, ว ง, ส ง, ควงวายาวนานต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าก่าสอนแล้วว่าพระกษุสามะเนินที่บวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องอาศัยกำลังศรัทธาของคราวาสโดยปัจจัยทั้งสี่ คือจีวอนบินทาบาทเจนาสนะคืลนะเทสัตจะต้องอาศัยพระวาชาเขาทนุถนอมเขาบำรุงให้จะไปแสวงหาทำไรทำนาค้าขายทำหลายกิกรรงานเมงองต่างๆทางภายในไม่อนุญาตอาศัยคนอื่นชีวิตของท่านเมื่อทานสะดวก มือสูมาทนุถนอมรักษาบำรุงให้ผ่านต่างใจกระพฤติปฏิบัติภาวนาละกิเลสจนจิตใจของท่างเกิดวิเศษพลไปจากทุกโทษต่างๆท่านก็ได้มาแนะสอนพวกเราผ่านแนะสอนพวกเราให้ละชั่วบำเพ็ญดีบอกทาง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 ตามลัทธิของแต่ละศาสนาฉะนั้นพวกเราจื่อดแต่ทำมำเพ็ญคุณงามความดีสนับสนุนศาสนาจึงไรชื่ออ่ะเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลควรที่จะยินดีในจิตในใจในการกระทำมาเพ็ญของตนเพราะกับถินี้เป็นการเป็นสมัยหาก ในใช่การในสมัยก ch th Ph ch ็ทอดไม่ได้ทําไม่ได้ถึงจะมีข่าของเงินทองขนาดไหนมันก็มาเป็นกระถิ่นหาจนบางสกุลเนผ่าป่าจนสังขาทานไปกระถินจึงได้ชควาว่าทำยากมีอาัยวะสูงมากกว่าทานทั่วไปผู้จึงการให้ทานแล้วยังกระถินจนที่มีอานยวะสงมาก เจนสามารถห้ามกัน้นพิจุตีรักขีหินนั้นไม่เหตุเป็นอาบัติตรงบางข้อส่วนพิกจุยูนะครับเนยว่าจะเกี่ยวไปในหมู่บ้านจะเข้าไปบ้านในเวลาพิการคือบ่ายแล้วไปต้องบอกลาพิจุอื่นถ้ามันบอกลาพิจุอื่นเข้าไปแทนสาบอาบัติเมื่อได้รับอะกระถิ่นเข้าไปได้ ภานไม่ยากในตับอาบัดอนู่เป็นขอนหนึ่งในอานิสงส์ห้าข้อที่สองพิสุทุกุลจะต้องรักษาถาฟองห้องตัวคือสังขาติจีวอนสมบองสามตัวนี้ไปสถานที่ใดข้ามคืนในด้กถ้าปล่อยปะละทิ้งข้าจะเป็นมิตรสักทีเจ้าของจะเป็นอาบัดตายสิบปี จะไปข้างคืนที่อื่นจะต้องมีผ้าสามผืนมีติดตัวไปแต่เ <c oughs> มื่อรับกระถินแล้วพระนริย่าให้ปล่อยไว้ตัวใดตัวหนึ่งเอาไปแต่เพียงสองผืนก็ได้ในเป็นอาบัดคุมกันอาบัดได้มีอาณาสวงของกระถิ่นข้อที่อสองขอ้อที่สามเพลิดเพิยูด้วยกันมีผุหมานิมนอนไปฉันจังหังนลึกฉันเชิน พวกขี่ฉันเพนถ้าหากคนเหล่านั้นมานิมนต์ว่านิมนต์ไปฉันข้าวบ้านผมนิมนต์ไปฉันแกงบ้านผมอย่าง น, นั้นอย่างนี้โภชณะทั้งห้าคือข้าวสุกขนมสดขนมแห้งตาเนื้อสิ่งเหล่านี้ออกขี้ไม่ได้ฉะนั้นการนื้นิมนต์แคะจะไปฉันจังหันก่อตามไปฉันเพลินก่อตามเข มีโยมกันมาไปฉันจังหันมีเมินไปฉันจังหันบ้านผมไปฉันเชิญบ้านผมถ้าไปออกชื่ออะไปฉันข่าบ้านผมทิศคือเหล่านั้นไปฉันไม่ได้ผิดทางพระวินัยแต่เมื่อฉันลงไปแล้วเป็นอาบัติเมื่อได้รับกระถิ่นออกชื่อโพธะนะไดาจะไปฉันในตับอาบัต ย่างข่มกันอย่งอ น, นิสงกระชินนอกจากนั้นผู้ที่ได้รับ ก, บ ก, บนนออกระชินอนุโมทนากระชินยังมีอานิสงยืดออกไปสังเกตเรีนอินสองเทมจนถึงเรีนสี่เทมในระยะนี้เป็นอานิสงกระชินผู้ที่ได้อนุโมทนาหรวอการกระชินถ้าที่ให้มาในวัด น, น, นั้นจะเป็นของพิษสุสามเณรเหล่านั้นจะแจกปันกันช้สอยนี่เป็นเรื่องอ น, นิสงค์ของกระถินผู้ที่ไม่เคยศึกษาเรื่องกระถินก็จะไม่ทราบว่าอ น, นิสงฆ์ห้าเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่จะรับกระถินได้มันก็มีอีกจะต้องรู้จักการทำกัะถินของของตน ว่ทําอย่างไรจึงจะถูกต้องตามพระวินยัยถ้าทำไม่ถูกต้องตามพระวินยัยอา น, นิสงส์หา้ามันก็ไม่เกิดขึ้นฉพระนั้นจึงจะเป็เรื่องอยากลําบากทั้งผู้ที่ทำบุญลําบากทั้งผู้ที่รับถ้าหากไม่สมเหมาะกันก็ทําไม่ได้พระอยู่ในวัดจะต้องมีความฉลาดรู้จักเรื่องกระถินนยอมก็มีโอกาสเวลา ในป่วยไข้มีเข่าของพอจะทําได้เหมาะกับการกับสมัยจึงจะเป็นกระหิ่นได้แต่หิ่นจึงเป็นเรื่องสําคัญในการทําบุญไม่ใช่ทำง่ายง่ายลําบากกว่าจะทําได้เพราะการสมัยมีเพียงนิดหน่อยเท่านั้นหากเรามีเข้าของเงินทองมีศรัทธาอยู่ในใจมันไปทําไม่ได้ มีแต่เจียงศรัทธาหรืมีอะไรจะไปทําให้เป็นองค์กระถินให้นอกจากนั้นมีศรัทธามีเข่าของแต่พระไม่ครบถ้วนมันก็ทําไม่ได้พระครบถ้วนแต่ในแต่การในแต่สมัยที่จะทำํำในแต่การกระินมันก็ทําไม่ได้อีกมันมีหลายเตาะหลายข้อที่จะทำไม่ได้ แต่นั้นการสมัยก่ออำนวยให้เราก็มีความสุกกายสูกใจเข้าของเงินทองพอที่จะทําก็มีจึงเป็นโชคดีท่าที่สุสุจะรับกรมีคบพอบริบูรณ์ผู้ที่จะกระถิ่นจึงเรียอว่าจนมหากรุส่นเพราะกระินีเขาเรียกว่ากองกระถิ่น คำว่า ก, กองก็มีของหลายอย่างไม่ใช่ของอย่างหนึ่งอย่างเดียวมากองกันขึ้นกองบุญกองกระถินก็น่นาป้นใจพอเป็นกองในใจของขึ้นเดียวอันเดียวมันมีของหลายอย่างมาสมทบกันเขา้เา น, ขนี่เหรอกองกระถินการทํากระถิ น, นตามแบบตำลับตำลาท่านก็กล่าวว่า มีหลายอย่างกะชิ้นก็มีจนแล้วก็ชิ้นก็มีมาหากะชิ้นก็มีกะชิ้นนั้นหมายถึงเราท่านจิตทำพอเหมาะพอควรตามศรัทธาหน้าที่ของตนไม่ใหญ่โตละโหรฐานทาตามความมีควา ม, ม, วามเนของตนพอเป็นองค์กบชิ้นได้ของก็ไม่มากไม่ศรัทธาในจิตใน ใ, ใ, ใจก็ไหม่ ใหญ่โตเท่าไรหนูเรียกว่ากระชินกุลละกระชินนั้นหมายถึงกระชินเดือนกระินหรืกอกระชินดวนกระชินแหลนทํากันในวันนั้นแต่สมั ย, ยนี้ไม่ค่อยเห็นกันเพราะคงจะทํายากได้ก็จะต้องเอาฝ้ายมาปั่นในวันนั้นพอในวันนั้นนําไปในวันนั้น มันคงใจยิ่งใจยากใจลำบากสมัยนี้ไม่เคยมีอย่าว่าชิ้นแล้วก็ถิ่นคือก็ถิ่นแหล่นถินกร็ถิ่นเร็ถิ่นเร็วถิ่นเร็วถิ่นเร็วถิ่นเร็ถิ่นเร็วถิ่นเร็วถิ่นเร็วถิ่นเร็วถิ่นเร็วถิ่นเร็วถิ่นเร็ถิ่นเร็ว่น็วถิ่นเร็วถิ่นเรถิ่นเร็วถิ่นเร็วถิ่นเร็ว่นเร็วถินเร็วถิ่นเร็วถนเร็วินเร กระชินออกเข้าวินัยกระชินตามเรื่องของบัวลานนายจ้างพูดไว้มันก็มีอีกกระชินบุตรกระชินเนา่ากระชินเส่ามองกระชินบริสุทธิ์หนุ่มนายถึงคําพูดของผู้เท่าผู้แก่เป็นประลํะระกันมาถ้นยกนิทานว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมีเขา่าของเงินทองมากน า, ายก่ายกองมีเงินตั้งแปดสิบโกด ทำกระถินเมื่อทำกรินแล้วก็เทวดามาอนุโมทนาในตอนถอดกรินถวายกรินประกาศเชื่อเชิญให้เทวดาไมว่าภูมิเทวดาหรืออากาศเทวดาใหมาอนุโมทนากระถินของเขาวันนั้นมีเทวดาองหนึ่งมา อนุโมทนากระชินแต่พอมาเดินจะถึงบ้านจนจะถึงวัดมีตนไซใหญ่ตนหนึ่งอยู่นั้นเรามีคนคนหนึ่งไปอยู่ใต้เรมของตนไซนั้นโดยยินเสียงเทวดามาชวนเทวดาที่อยู่ตนไซซึ่งเป็นพวกลุกขะเทวดาชวนให้ไป อนิโมทนาแต่ขินกับมหาเจตถีแต่เทวดาที่ไปจำที่เป็นใจนั้นบอกว่าเชิญไปก่อนเถอะเนอะอนิโมทนาแล้วเป็นอย่างไรขอให้ามาบอกเล่าให้ฟังด้วยว่างั้นคือเทวดานใจนั้นไหนไปด้วยใจแต่ เ, เทวดาองค์อื่นที่จอนมาพอไปอนิโมธนา พวกศรัทธาเจ้าของกระถินแกแลงแก้งเล่าแกล้วากันคนมาในงานเมาอุกกระทึกนึกนองลืมตาไม่ขึ้นพูดลั่นไม่มีความสงบสงัดนม่ 3, 000, 6, 000นปฏิบัติตามเรื่องของธรรมพอถวายแล้วอ น, นุ้มทนาแล้วก็กลับมาแต่บุรุษคนนั้น อยากจะทราบว่าเรื่องถวายกัะชินเป็นอย่างไรเขาก็ยังไม่ห น, นีไปจากโอมใซคอยเทวดาองค์ศีไปอนุทะนากลับมาก่อนจะมาพูดกับเทวดาที่อยู่ต้นไซนี้ว่าอย่างไรพอกลับมาถึงต้นไซตรงเทวดาที่ประจําทีอ่อถามว่าวรเป็นไงกรถชินของมาหาเศรษฐีสรีธรรไปเขาบอกว่ากระชินเน่า ทำไมจึงเมาเพราะินเหล้ากินยาเอกระเละแค่ฮะโกราห์หดไม่มีความสงบสงัดในปฏิบัติตามอัตตามทำเลยอย่างนั้นเพราะว่าโดยยินอย่างนั้นแล้วเทวดากว่านี้ไปไอ้คนคนนี้ไปมาเล่าให้เจ็บผีเจ็บของจัดชาฟังเจ็บผีก็เสียใจอ้าวเราทำใหม่เพราะเขาของเงินทองเราไม่อดทําอีกกองที่สอง ทางนี้จะมีต้องเอาเหล่าเอายามาเกี่ยวข้องแต่เท่ากับข่าววัวข่าวไกข่าวหมูข่าวไก่กันอย่างใหญ่โตควนมาในงานจิตหยิบน้ําซําลานทํากันอย่างเต็มที่ใครมาก็ชินกันไม่ด้คิดถึงการทําอย่างนั้นมันจะเป็นหบาปเป็นกรรมอะไรเพราะทำไปเพราะ เขาเห่อยอดยา